มาเจริญพรทุกท่านพวกเราไม่เจอกันเดือนหนึ่งสองเดือนนะเกิดคงเกดได้ภาวนาไหมใครปฏิบัติทุกวันบ้างยกมือสิโอเคใครนานๆทำทีมีไหมดีกว่าไม่ทำ การภาวนานะมันไม่ยากหรอกแต่มันต้องทำสม่าเสมอเพราะกิเลสมันเกิดทั้งวันกิเลสไม่ใช่นานๆเกิดทีหนึ่งถ้าเราไม่หัดจเจริญสติจเจริญปัญญากิเลสมันเกิดครั้งเดียวสติปัญญาไม่เกิดจะเอาอะไรไปสู้มันเราก็รักษาตัวไม่รอดถ้าถูกกิเลสมันลากเ้าไปครอบงำใจความทุกข์ทั้งหลาย ที่มาสู่ใจเราได้เพราะกิเลสมันค่อมงำหน้าที่เราก็ต้องต่อสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้มันพระพุทธเจ้าก็สอนสอนนะซ้ำแล้วซ้ำอีกคำสอนของท่านนะมีแต่เรื่องต่อสู้เอาชนะกิเลสวันหนึ่งชนะแล้วนะหัวล้อยอกิเลสได้เป็นะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะท่านหัวล้อยอกิเลสท่านยอเยยตัณหา ตัญหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้วต่อไปนี้สร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้เรือนเก่าเราก็ทำลายไปแล้วลเรือนคือก็คือพบนั่นเองพบก็คืออะไรคือการที่จิตใจมันดิ้นรนคือการการทำงานทางใจเป็นพบการทำกรรมของจิตนั่นเองมีความจงใจที่ดีบ้างที่ชั่วบ้างก็ปรุงสร้างพบขึ้นมาภายในใจมันหมุนติ้วติ้ว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 ทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะถูกบีบถูกเค้นนะังั้นใจไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสงบเราก็ต้องค่อยๆสังเกตนะค่อยฝึกด้วยวิธีของพุทธเจ้าินทำลายกิเลสทำลายตัณหาเด็ดขาดใจก็ไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกคุกคานะมันจะไม่ดิ้นรนนะใจเข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริง ความสุขเันนี่เอาเงินซื้อไม่ได้นะคนยากคนจนหรือคนร่ารวยก็มีโอกาสเท่าๆกันนะคนเรียนหนังสือมากเรียนหนังสือน้อยก็ปฏิบัติไดนะ้ไม่ได้อยู่ที่ไอคิวอยู่ที่อะไรหรอกอยู่ที่ความอดทนนะเมืองตนอดทนฟังให้รู้เรื่องก่อนว่าวิธีปฏิบัตินั้นทำอย่างไรพอรู้วิธีปฏิบัติแล้วก็อดทนปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกซ้าแล้วซ้าอีก ทำไมต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกก็กิเลสยังซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยนะกิเลสมันมีอยู่3ามตัวอราคาทัสามโมหะมีอยู่แค่นี้เองก็ยังกลองโลกได้หลอกเราได้ทุกวันนะในราคาทัสาโมหนะนี่โลภโกรดหลงหลอกเราอยู่ทุกวันเราถูกมันหลอกมาแต่ไหนแต่ใด น, นะจะสู้กับมันแล้วก็มีเครื่องมือนะมีศีลมีสมาธิปัญญาศนะีลที่ถูกต้องไม่ใช่ศีลงมงาย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 นะถ้าบาร honey, supports, well. มีเราพอเนี่ยมรคนมันเกิดมรคลไม่เกิดในภพหรอกมรคลไม่เกิดในภพนั่นยังเจตนาอยู่มรคลไม่เกิดหรอกมรคลเกิดตอนที่ไม่ได้เจตนาเพราะฉะั้นเราทํามรคลให้เกิดไม่ได้เราเจตนาทำเนี่ยทำไม่ได้แต่อาศัยเจตนาก่อนเจตนารักษาศีลเจตนาฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นเจตนาเจริญปัญญา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 ที่ไปเทียบเขาเทียบเราเป็นไปเพื่อกิเลสอีกใจกายกูเนือว่าคนอื่นใครทำในรูปแบบทุกวันบ้างต้องเปินิมีไหมสงบบ้างไหมตั้งมั่นไหมเวลาปฏิบัติเรื่องของจิตใจมันกะ็มีสองอันมีความสงบก็มีความตั้งมั่นสงบก็อยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ร่อนเร่ไป ตังมั่นก็จิตเนี่ยถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดนะูเป็นผู้เห็นเห็นอะไรเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมมันทํางานนะใครเคยเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจแบบไม่ได้เจตนาจะเห็นแล้วมันเห็นนะเคยมีไหมยอยู่ๆก็รู้สึกร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีไหมใครเคยรู้สึกว่าจิตไม่ใช่เราบ้างมีไหมกนะ็มีเหมือนกันนะแต่มันยังมีเป็นคล า, าวนะมันยังไม่ตัด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 เวลาจะทำผิดศีลพวกเราเห็นไหมมันรู้ทันไหมลราละอายใจไหมเวลาจะทำผิดใครเวลาจะทำผิดศีลรู้สึกละอายใจยกมือซิมีไหมอุสาธุค่อยสมเป็นลูกพระพุทธเจ้าหน่อยน ะ, <c oughs> ะทำผิดศีลหน้าด้านอย่างเดียวใช้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เนี่ยถ้าเราภาวนานะเก็คอยเรียนคอยรู้นะเวลาจะทำผิดศีลทำไม่ได้หรอกมันมีฮิรูอตตะปะนะ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 นะการมาฐานในไก่ก็ได้อย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อมาได้ยินเสียงหลกผู้เหรียญหนะลวงู้เหรียญบอกหายใจเข้าหายใจออกนะมีสติไว้เนะี่ยเราหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกไปเรือยอย่าใจลอยใจหนีไปละใจฟุ้งซ่านไปละคอยรู้ทันมารู้ลมหายใจในสุดจิตมันชํานาญในการรู้ลมหายใจนะแต่ถ้าใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ หายใจแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวจิตหนีแล้วรู้บ่อยๆต่อไปเวลาจิตมันเผลอไปนะแล้วเราหายใจเปลี่ยนจังหวะขึ้นนิดเดียวหายใจแรงขึ้นนิดเดียวนะสติจะกลับมาเองเลยนะค่อยๆฝึกไปนะจนสติมันเกิดขึ้นสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นนะสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายนั่นเองต้องเห็นบ่อยๆมันถึงจะจำแม่น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 จับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนเรียกว่าอุทัจจับอุทัจจับจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนที่ชักจะหงุดหงิดนี่เป็นอุดกุกุจับแล้วก็คิดมากคิดมากสงสัยมากใจก็โม่แต่คิดค้นคว้าหาคำตอบมีวิจิตรฉาคิดมากหรือฟุ้งซ่านมากหรือมีราคามากมีโทสามารถสุดท้ายก็หมดเรี่ยวหมดแรงจิตซึมไปโดยเป็นถีนมิตระ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 เรารู้ว่าใจรักเนี่ยใจจะเลิกรักรู้ว่าใจเกลียดใจก็เลิกเกลียดรู้ว่าสงสัยนะก็าหายสงสัยอย่างบางคนสงสัยแมื่ก่อนมีมากนะสงสัยหลวงพ่อบอกสงสัยแล้วรู้ไหมว่าสงสัยให้รู้ว่าสงสัยเท่านั้นเองสงสัยเกิดแล้วก็ดับ น, นี่คอยรู้ทันนะอาศัยสตินี่แหละรู้ทันสมาธิก็เกิดเพราะศัตรูของสมาธิถูกทาลายไปมีสติรู้ทันกิเลสนะ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 พวกเราเนี่ยหลวงพ่อค่อนข้างเชื่อว่าพัฒนามาจากลิงนะมัจะเกาก็ยุกก็ยิกก็ยุกก็ยิกตลอดเวลานะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์คันก็ทุกข์ใช่ไห ม, มก็เกาแก้ทุกข์นี่พอเราคันอัตโนมัติเราก็เกาอัตโนมัติเราไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์นะเราเมื่อยเราก็ขยับเลยขยับไปขยับมาเราไม่ทันเห็นเลยว่ามันเมื่อยนะเราเคลื่อนไหวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเพื่อหนีทุกข์ไปเรื่อย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 เปลี่ยนตลอดเวลาเลยสุขก็อยู่ช่วคราวเดี๋ยวก็หายไปทุกข์ก็อยู่ช่วคราวเดี๋ยวก็หายไปเอาทุกคนลองยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มอย่างสดชื่นไม่ค่อยได้ผล <c oughs> แบบตั้งใจมากเลยแล้วยิ้มใจยังทื่ออยู่นะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดสังเกตั้ยใจขนาดนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันละใจตอนนี้คลายกว่าเมื่อกี้รู้สึกไหม เนี่ยดูสิใจที่คลายตอนนี้ใจกําลังคลายอยู่ดูสิเที่ยงไม่เที่ยงอย่าคิดเอาดูเห็นไหมใจไม่คลายแล้วใจเริ่มนิ่งล้รู้สึกไหมเนี่ยดูของจริงอย่างนี้นะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุขก็สุขชั่วคราวทุ ก, ก็ทุกชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวรบลบปดลงก็ชั่วคราวรบลบปดลงเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปละมันนะแต่ว่าอย่าทําผิดศีลเท่านั้นเอง อย่าให้ผิดศีลห้าเท่านั้นแต่ลบ โ, โกรดหลงขึ้นมานะก็ให้รู้ว่ามันลบให้รู้ว่ามันโกรธให้รู้ว่ามันหลงไม่ห้ามมันหรอกเพียงแต่ว่าไม่ให้มันครอบงาจนทำผิดศีล น, นะกันไว้แค่นั้นแหละส่วนในใจนี่ชั่วได้ชั่วแล้วรู้ว่าชั่วจิตชั่วแล้วรู้ว่าชั่วพราวนาแล้วรู้สึกไหมเราชั่วกว่าที่เราคิดใครรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมเออานาเป็นถึงจะรู้สึกนะ ภาวนาไม่เป็นกูดีกูดีลูกเดียวเลยภาวนาเป็นเห็นเลโอ้หใจเราเนี่ร้ายกว่าที่เราคิดนะเราไม่ได้พาวนาให้มันดีนะแต่ภาวนาให้เพนเห็นความจริงว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงนะแต่ในทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาเนี่ยไม่ทําชั่วให้ทําดีนะเพราะว่ามันจะกระทบกระทั่งคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นทางกายทางวาจาเนี่ยมีศีล รักษาไว้แต่ทางใจปล่อยให้มันทํางานไม่ดีก็ได้ไม่ต้องดีตลอดเวลาหรอกนะไม่มีใครดีตลอดเวลาหรอกนะไม่ดีก็ได้แต่ไม่ดีแล้วให้รู้ทันนะฟุ้งซ่านก็ได้นะแต่ฟุ้งซ่านเรารู้ทันนี่เป็นขั้นเจริญปัญญานะถ้าขั้นทําสมถะฟุ้งซ่านเราทําให้สงบคนลออันกันใ น, ะนขั้นเจริญปัญญานี้ดูอย่างที่เขาเป็น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 จิตไม่หลงเป็นกุศลไหมจิตไม่หลงเป็นถ้าไม่มีโมหะตัวเดียวนะกิเลสอื่นมีไม่ได้เลยเพราะมโมหะเนี่ยโค่นพ่อโค่นแม่กิเลสเลยนะตัวหัวโจกเลยล่ะะงั้นะหัวโจกเลยต้องสู้กันปางตายก็สู้กับไอ้โมหะนี่เองราคะโทสะนี่หมูหมูนะขั้นอนัาคากละแนละ้วะขั้นที่จะสู้ความไม่รู้เนี่ยนะขั้นแตกหักข้ามภพข้ามชาติกันตรงนี้ลนะ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 ท่านเลยรู้เลยท่านเลยสอนเลยว่ามาดูกายเนี่ยพี่หนักกายไปเรื่อยๆนะสลายกายไปหมดก็ามาที่จิตนะหลวงปู่หลุยสอนเรื่องบางกายนะหลวงปู่หลุยสอนเรื่องบางกายหลวงพ่อสูจิตนะลูกเสร็จหลวงปู่หลุยนะแต่เสร็จแล้วมาบวชกับหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลก็สอนต่อว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตที่ท่านดูกายกันเนี่ยเพื่อจะเพิกกายออกปล่อยวางไปนะสลายไปทิ้งไปเลยเข้ามาที่จิต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 เนี่ยมีพระมาะเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านเดินแปดสิบกิโลเดินขนาดนั้นนะโอ้ยทรมานมากเลยคืดสู้มากเลยแล้วก็มาหาหลวงพ่อรอบหลังนี่นะหน้าใสาปิ๊งมาเลยอาจารย์ผมรู้แล้วมันง่ายนะบอกมันง่ายนะจริงเงินง่ายนะรู้หลักเราง่ายไม่รู้หลักแล้วโอยเหนื่อยแทบตายเลยไปเดินวัละแปดสิบโลเหนื่อยไหมเหนื่อย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 เราคิดมากจนกระทั่งเราคิดว่าอยู่ใกล้ไกลนินพานอยู่ต่อหน้านะนิพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองเนะมื่อะไร่จิตไม่ยึดในรูปธรรมไม่ยึดในนามธรรมนะนิพานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะถ้าเราชํานาญสมาธิจริงๆนะดูแล้วคงเล่นไม่ได้พวกนี้เราพวกเล่นสมาธิจริงๆหลวงพ่อเคยพาพวกเล่นสมาธิดูนะเอ้า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 ดูออกไหมถ้าจิตมันต้องจับในขั้นนี้นะในขั้นนี้ต้องจับนิพพานไม่จับรูปจับนามนะโดยไม่เจตนาโดยถ้าเจตนาไม่ใช่นิพพานถ้ายังเจตนาอยู่เป็นอรูปเป็นอากาส า, านใจยตนะเนี่ยเราค่อยฝึกนะจิตเราจับรูปเรารู้ทันจิตเราจับนามเราก็รู้ทันทําไมมันจับเพราะมันเห็นว่ารูปเป็นของดีนามเป็นของดีนะ รูปก็ดีอรูปก็ดีนะเออจับอย่างนั้นคอยรู้ไปนะไม่ต้องหัดก็ได้นะไม่เหมาะกับหลายคนเพราะว่าหน้าตาเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้สมาธิอะไรมากมายหรอกนะส่วนใหญ่จะเป็นฟุ้งเก่งคนไหนมีความฟุ้งสัน้นเป็นอาผ่อนฟุ้งทั้งวันมีไหมไม่ต้องไปคิดนะเรื่องสม า, สมาธิโน้นนะชาญเชิญอะไรไม่ต้อง เอาของที่เรามีนะดูของที่เรามีเรามีอะไรเรามีร่างกายเรามีความรู้สึกเนะีย่ยดูอย่างนี้ไปด้วยนะเดี๋ย ว, วันหนึ่งก็จะเห็นไม่มีเรานะต่อไปก็เห็นว่าไอ้ที่มีมีแต่ทุกข์มาเห็นทุกข์แนละจิตจะวางเนี่ยเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมธรรมะอันนี้ก็คือนิพพานนะจะเห็นเองฝึกไม่ฝึกไม่มีทางนะฟังอย่างเดียว ไม่ปฏิบัติไม่ได้กินออกต้องปฏิบัติและต้องปฏิบัติให้มากมากด้วยทุกวันต้องทำไม่งั้นกิเลสเอาไปกินหมดนะกิเลสนะขยันที่สุดเลยไม่มีวันลาพักร้อนเลยนะกิเลสอ่นะพักผ่อนประจำปีไม่มีไม่มีลากรีไม่มีลาป่วยเลยกิเลสเนะี่ยส่วนพวกเราลาเก่งใช่การปฏิบัติเดี๋ยวตอนนี้ขอลาไปเที่ยวก่อนขอลาไปดูหนังก่อนขอลาไปโน่นไปนี่ก่อน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 สามีทิ้งอะไรเงี้ยธรรมดาตัวเรายังไม่มีเลยไม่ทูกเท่าไหร่ทุกนิดหน่อยทูกเพราะแค้นใจเมืองหักหลังกูขนาดว่ากูไม่มีนะเอา้าส่งกันบ้านนมัสการค่ะพ่อฟังซีดีคุณพ่อมาประมาณเกือบสามปีมคือครั้งแรกที่ฟังนี่คือคุณพ่อป่วยผ่าตัดสมอง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 ไปเรื่อยๆนะคะ อ, อ, อยู่ดีๆเหมือนจิตจะเข้าไปสู่ภาวะหนึ่งที่แบบ เ, เหมือนรู้สึกตัวไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนสมองมันก็โลง่งตอนนั้นเหมือนสมองมันโล่งแล้วก็ไม่คิดอะไรนะคะคือกาบเรียนถามหลวงพ่อว่าคือสภาวะอย่างนั้นมันคือสภาวะจิตไม่เข้ า, าสมาธินะ เป็นเรื่องของสมาธิแสดงว่าอะไรแสดงว่าที่เราดูเวทนาเนี่ยเราเพ่งเวทนานนเราให้จิตจดจ่ออยู่กับเวทนาอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตก็รวมลงไปนะม่จะตัดการรับรู้โลกภายนอกไปมันจะเบลอเบลหรือหายไปเลยนะเหลือความรู้สึกตัวเหมือนครึ่งครึ่งครึ่งหลับครึ่งตื่นนะนั่นเป็นเรื่องของสมาธินะตรงนั้นเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวยางเดินปัญญาไม่ได้ แสดงว่าวิธีที่เราดูเวทนาเนี่ยยังไม่ถูกเราต้องดูเวทนาอีกแบบหนึง่งมีใจเป็นคนดูสบายๆเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึง่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึง่งจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหาก น, นี้เราเอาจิตของเราไปจับเข้าไปที่ตัวเวทนาอาการอย่างนั้นถึงเกิดขึ้นนี่เราให้เห็นนร่างกายก็อันห น, น, อนหนึ่งเวทนาอันหนึ่งจิตอันหนึ่งต่างคนต่างทางานร่างกายก็ทางานของร่างกาย เวทนาก็ทํางานจิตก็ทํางานนะดูคนเราเชิญเขาเห็นเขาทํางานของเขาเองแต่ละตัวไม่ใช่รับสักตัวเดียวดังนั้นคือจะเกิดปัญญาอย่าไปเพ่งนะนั้นเพ่งเวทนาแล้วถ้าจะปฏิบัติ ด, ดูจิตของหลวงพ่อต่อไปนี่คือจะต้องไม่จําเป็นปงงนะแค่ว่ามีจิตเป็นคนดูเราถนัดดูเวทนาแล้วก็เห็นกายเห็นเวทนาทํางานแต่จิตเป็นคนดูไม่จําเป็นต้องดูจิตนะ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 เปลี่ยนจากผู้คิดผู้เพ่งนะมาเป็นผู้รู้เป็นคนดูแล้วนะถ้ามีจิตอย่างนั้นถึงเดินปัญญาได้จริงไม่งั้นติดสมถะนะจะติดสมถะอ่ะต่อไปครับก็ขอรัตนาบูชาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็นมัสการหลวงพ่อปามโมดปามโมดโชว์นะครับ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 ต่อไปความรู้สึกอย่างอื่นเกิดขึ้นก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละนะโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็เหมือนที่ปิติเกิด น, นี้แหลนะเพราะนั้นอารมณ์เนี่ยอย่างตอนนี้อารมณ์ที่เป็นกุศลมันครอบงาจิตนะมันก็ได้กุศลนะแต่มันจะไม่ได้มักผลต้องไม่ถูกกระทั่งกุศลครอบงำเพราะฉะนั้นปิติเกิดที่มาเรารู้ทันลงไปนะมันก็จะดับไปเกิดดับให้ดู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 ปรัปรงหรือเพิ่มเติมทำสม่ำเสมอนะแล้วอย่าหวังผลถ้าเราหวังผลว่าจะต้องได้เร็วๆนะีเราจะทำได้แล้วก็หมดแรงอย่างรวดเร็วเลยเช่นเราคิดว่าทำอย่างนี้สักสาเดือนคงจะได้ผลแล้วล่ะนะทำไปสมเดือนแล้วยังไม่ได้เลยเพราใจอย่างโลมอยู่นะก็เลยเบื่อไหนจะท้อใจซะ ก, ก่อนต้องคิดว่าเราจะทำทั้งชาติเลยตั้งใจอย่างนี้นะปฏิบัติมันทั้งชีวิตนี่แหละที่ทำอยู่นะดีขึ้นแล้วล่ะ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 นะครับพอเริ่มเริ่มสังเกตตัวเองก็จะเห็นความคิดที่มันวิ่งไปวิ่งมาอนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาทําในรูปแบบนะครับพอทําในรูปแบบเสร็จพอสมาธินิ่งคือพอตอนแรกก็คือใช้การนั่งสมาธิใช้ลมหายใจเป็นสัญลากนะครับก็ดูลมหายใจเข้าออกจนลมหายใจเข้าออกแล้วเบาเบา น, นะครับแล้วก็ก็มาจับที่ความคิดนะครับเราก็จะเห็นความคิดที่มัน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 ย่งเงครับตลอดเวลาก็อาศัย ส, สัญญานะสัญญาจําภาพได้แล้วทำให้สังขารปลุกให้จิตมันปลุกต่อปลุกดีปลุกชั่วอะไรก็ปลุกหรืออาศัยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ก็ทําให้จิตปลุกได้นะครับถูกแล้ ว, ลวเหตุถุกแล้วมีข้อปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครับอย่าใจทอนนะไม่คลดกว้ามากโง่โง่งไวย้ยิ่งโง่ยิ่งดีนะ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 สิ่งที่ผมได้ปฏิบัติมาขอถวายเป็นพุทธบูชาสังฆบูชานะพุทธบูชาธรรมบรูชาและสังฆบูชาครับขอบคุณครับสาธุสาธุรับนรรมสการพอครับผมขอส่งถึงบบ้านนะครับผมจากการที่ได้ฝึกแล้วก็เรียนรู้นะครับการเรียนรู้กายใจนะครับตามความเป็นจรงิงนะครับตลอดหเดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งจาก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 <Yep. S 2> คือถ้า <Yep. S 2> อยู่ทางโลกก็ต้องตั้งใจคิดนะแต่ถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มีธุระจะคิดนะเราก็ฝึกของเราอย่างนี้ได้เราจะเห็ น, นว่าจริงๆเรามีชีวิตอยู่ช่วงขณะจิตต่อหน้านี่เองนะมีชีวิตอยู่ช่วงขณะจิตนี้เลื่อนไปอดีตก็ไม่มีแล้วในอนาคตก็ไม่มีแล้วเราเห็นในะอยู่ขณะปัจจุบันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราสักอันเดียวเลยนะดูลงไปทุกอย่างว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตน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 คืออะไรถ้าสมมติเพราะเราต้ไม่ได้ยินอ่ะยกมาอย่างนี้เพราะเราแบบปกตินี่จะต้องเดินทํางานอะไรอย่างเงี้ยหากินจนรู้สึกตัวได้ดีนะคะหัดใหม่ๆก็อาจจะอย่างนั้นนะแต่ต่อไปพอชํานาญขึ้นเนี่ยทําอย่างนี้มาหลายขยับตัวนิดเดียว ก, ก็ก็รู้สึกแล้วละ่ะทําอย่างนี้มาหลายปีหกปีแล้วค่ะก็ยังเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยให้ดูทันใจเนี่ยใจเรามีโทสะแทรกเห็นไหมมันไม่ได้อย่างใจรู้สึกเนี้ยให้เรารู้ทันใจเข้าไป รูไปด้วยใจที่สบายๆดูไกลแล้วก็ดูใจตอนเนี้ยดูใจไหวแล้วดูใจไปดูใจได้โยมปฏิบัติมาถูกต้องแล้วนะะถูกพารดาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วกราบพรักการหลวงพ่อค่ะโยมเห็นไหมละ่ะเวลาปัดบ้านถูบ้านน่ะไอ้ตัวที่กวาดบ้านน่ะมันถูกรู้ใจเรากะร่างกายนะคนละอันกันนะ นี่เป็นอย่างนี้ค่ะถ้าทำไปแล้วมันเจอมดนะคะบัญชีก็ต้องค่ามันเนี่ยจะบาปมากนะคะบาปก็จะทํำยังไงอะคะเพราะว่าก็ญวาด <c oughs> มดออกไปทิ้งบาปน้อยหน่อยถ้าเจอเราก็ต้องค่าเจตนาค่าเนี่ยบาปมากบางครั้งก็เจตนาบางครัง้งไม่เจตระก็บาปบ้างไม่บาปบ้าง <c oughs> อ่ะต่อไปกาบนามัสการหลวงพ่อคะ่ะปีที่แล้วหลวงพ่อบอกแนะนําว่าให้ไปทําคําสงบค่ะ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 ก็ขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำเพิ่มเติมทำาถูกแล้วนะทำานถูกแล้วทำไปสม่าเสมอทุกวันทำอย่างนี้แหละนะแล้วจิตเขาพัฒนาของเขาเองแหละนะทำน้ำมสัส ก, การใช้ได้นะรู้สึกไหมใจมันผปใสกว่าแต่ก่อนนะทำน้ำมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะ เ, เริ่มปฏิบัติมาห้าเดือนแล้วนะคะตามรู้ลมหายใจอืแล้วก็นั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงอืมีวันหนึง่งตกใจมีคนมาเคาะประตูอะคะ่ะกำลังนั่งสมาธิแล้วมองมองเห็นขาเป็นท่อนๆอนนะคะ่ะเห็นอะไรนะขาค่ะเห็นขาค่ะ<า>ลุกขึ้ น, นะคะ่ะจะไปเปิดประตูก็เลยเดินไม่ได้อ่ะคะ่ะก็เห็นขาเป็นท่อนๆเออขาไม่ใช่เราหรอกใช่แล้วก็ดีอยู่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 กายค่อยสลายไปแล้วกลายเป็นก้อนนะฮะกลมๆ ม, มาแทนร<ม>่างกายของเรานะครับแต่แล้วก้อนนี่ซ้อนกันไปซ้อนกันมาแล้วก็เต้นกันตุกตับตุกตับมมไม่เป็นจังหวะของใครของมันนะแย่งกันไปจิตมันก็มีปิติฮะมันเห็นอะนี่เหรอที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นรูปที่แท้จริงอืแล้วมันก็มีปิติแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เข้ารวังไปแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาโรคภัยแค้เจ็บมันก็หายหมดครับ กําลังของนะสมาธินะครับเวลาทําสมาธิได้จินเป็นกุศลอาศัยบุญกุศลที่เกิดขึ้นอาศัยกําลังของปีติบาทีแก้โรคได้ดีได้ได้เห็นอย่างที่ครูบาอาจารย์เห็นนะเตอนนี้คือช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เพราะว่าได้ลาออกจากงานแล้วก็อยากจ ะ, ม, ะมาบวชปฏิบัติครับอยากจะขอคําแนะนําจาก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 ถ้าอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่นานนะตายไปไปเป็นพระพรหมด้วยนะพระพุทธเจ้ามาเทศก็ไม่สนใจฟังฉันจะว่างอย่างเดียวไม่ทราบว่ายังอยู่ในร่องในรอยไหมคะก็ดีขึ้นนะคอยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆไว้ร่างกายเราเป็นยังไงร่างกายเราหายใจออกหายใจเข้าร่างกายเรายิ้มร่างกายเราเคลื่อนไหวยรู้สึ ก, สกดูดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆ ก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะกับนักสการหลวงพ่อประโมทครับผมเมื่อต้นปีได้มีโอกาสไปเก็บกรรมฐานไปเดินจงกรมขณะที่เดินเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีภาพปรากฏขึ้นมาแล้วก็สักพับภาพนั้นมันก็เริ่มปลุกเป็นเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเดินปอีก5้าเก้าเอใจไอ้ภาพนั้นก็จะหายหมดกน มันก็รวมมาเป็นตัวเรามันเดิมออก็เลยไอท้ที่คิดว่าทำถูกมาตลอดเนี่ยพอไปเห็นภาพตรงนั้นเพิ่เข้าใจเลยอ๋อมันมันอย่างงี้นี่งตอนนี้ก็เลยมา ม, มาพยายามทำทําในรูปแบบแล้วก็อยู่ในในกรรมฐานของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเก็บไปเรื่อยๆดูนะดูธาตุดูขันเ้วทำงานเรื่อยๆนะใจเราเป็นแค่คนดู แต่เราไม่รักษาผู้รู้นะครับอย่างตอนเนี้ประคองตัวรู้ไว้นะมันตื่นเต้นมัประคองเอาไว้ครับแข็งแข็งให้เออมันแก่แข็งถ้าดูเป็นอย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ในช่วงนี้มันมันจะติดไอ้ตัวไปเห็นมันเหมือนจิตมันเหมือนแมงหวีอะมันยุบยับยุบยับไปเรื่อยๆเออดีบุ้งซ่านไปเรื่อยๆอะมันมันหมุนอยู่นะทั้งวันทั้งคืนนะครับมันให้มันหยุดมันก็ไม่ไม่หยุด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 ยถาวาริวหาปูราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวายโตทินังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัชชันตูสัพโรโควินัสตู